พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยสองลำดับที่สี่โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าอยหกสิบมีชื่อเรื่องว่าฝากความสุขใส่กระเป๋าวิญญาณวันนี้ก็มี ศรัทธาญาติโยมถวายเสาเข็มเข้ามาอีกใ น, นตาสันยายลำโพนโคตรประคาพร้อมครอบครัวถวายหนึ่งมืนบาทอันนี้ก็ยายนำอีกสามร้อยบาทอันนี้ครอบครัวพ่อทิดยุ้ยนาคำน้อยเสาเข็มอีกหนึ่งมนบาท อันนี้อาจารย์เฉลิมผลทาบุญเกี่ยวกับทาบุญรวมญาติอันนี้สองพันบาทอันนี้เสาเข็มเจดีหลวงตาอันนี้ก็1หนึ่งพันบาทแต่นี้นะวันนีนะ้นะวันที่เก้าเมื่อวานนี่วันวันที่เก้ากพหกศูนเวลาสิบแปดชุ่นโมคือตั้งแต่เมื่อวานสิบแปด 6โมงเย็นเมื่อวานไม่ใช่วันนี้นะวันนี้วันที่10นะมีจำนวนทั้งสิ้นได้ได้มาแล้วนะจำนวนเงินทั้งสิ้น29ล้าน3ส7 3 9 3้สาสบาท8ปดสบสองสตังค์ยังขาดนะยังขาดปัดจจัยอยู่ยังไม่ครบส2สองล้าน สองล้านเจดแสห้ามืหนึ่งพเจ็ดร้อยห้าบาทที่จะได้ใช้เสาเข็มทั้งหมดพัน1หบอดต้น <c oughs> เป็นเงินส2 1สิบสองล้านหนึ่งแสยแปดบบาทยังใกล้เข้ามาล้ลูกหลานนะทายาิโยมยังเหลืออยู่สองล้านกว่าเองนะ ยังเหลืออยู่สองล้านเจ็ดแสนกว่าใกล้เข้ามาละใกล้ความจริงละที่พวกเรารวบรวมกันตกเสาเข็มเจดีขององค์หลวงตานะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราช25ั้าหกสบเจ็นวันนี้พวกเราคณะสัตธ า, ญญาติโยมพระเนนลูกหลาน คงจะมารวมกันสวดมนต์เย็นที่ศาลาหลังนี้นะสวดมนต์สวดพระปริตตะมงคลพระสงฆ์จะมาสวดพระปริตตะมงคลให้ช่วยๆกันดูพระของเราทุกองนั้นะนะมารวมกัน เ, เว้นเสียที่องค์ไหนที่มีภาระที่จะต้องดูแลภายนอกท่าองค์ไหนที่ไม่มีอะไรก็มานั่งคลองผ้าแล้วก็มาสวดพระปริตตะมงคล ร่วมกันกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์จากวัดต่างๆอย่าไปหายืนเด่นๆดันๆดูแล้วมันไม่งามดูแล้วไม่สวยไม่เหมาะสมเข้ามาในพิธีคือเราเป็นพระสงฆ์เราไม่ใช่คราวาสถ้าเราเป็นฆราวาสนะเราเดินยังไงไปยังไงก็เป็นฆราวาสนะแต่เป็นพระสงฆ์นะมันต้องเข้ามาในพิธีเราให้รู้จักการะการะเทสะการสถานที่บุคคล ไม่ใช่จะเดินเด้นเดนดานไปคุยคุณนนลคุนนี่ดูดูแล้วมันไม่ใช่ถ้าเป็นลักษณะจะต้องเอามือคำศีรษะของตนเองว่าข้าเป็นใครต้องรู้รู้สถานะของตนเองประเดนในพระทุกองนะเอ้ามาร่วมกัน อ, อย่างน้อยถ้าสวดไม่ได้ก็มาฟังเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา เราเข้ามาศึกษาเนี่ย เ, เมื่อท่านสวดปได้โอท่านสวดได้ขนาดนี้เนี่ยเราสวดยังไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนสิสิเนเอ่ยเรียนพยายามสวดพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าให้ได้นะเย็นวันนี้แหละจะมีการสวดมาแต่หลวงพ่อเองวันนี้จะมีสาธารณกิจออกไปออกไปอุดรนะวันนี้นะไปรอรูปหลวงปู่มั่นที่อะไร ที่สามเภาวหรืออะไรที่วัดสำนักสงฆ์หลวงพอง่อคงจะได้ออกไปแต่ว่าจะกลับมาให้ทันจะกลับมาให้ทันสวดมนต์เย็นอาจจะมาถึงประมาณทักสามสี่โมงเย็นกันางแต่ทางหลวงพ่อมาไม่ทันเลเอาเริ่มไปเลยเนาะหลวงเมาหลวงพ่อมาเมื่ อ, อไรกัจะเข้ามาร่วมพิธีกรรมพิธีการสวดพระปริตะมงคลแล้วก็ ในคืนนี้สวดพระปริตะภงษ์ในเช้าแล้วก็ทําบุญตักบาตรอย่างที่พวกเราเคยทํามานั่นแหละเราจะตุปัจจัยทางครูบาอาจารย์ที่ท่านมาท่านไม่ได้อยู่ร่วมก็ให้ช่วยๆกันคิดอีกเหมือนกันอ่งค์อยู่ใกล้อยู่ไกลถวายตามถวายครูบาอาจารย์ตามที่เคยทํามานั่นแหละถ้าองค์ไหนที่อยู่มาตอนเช้า เราก็ถวายตอนเช้าถวกผ้าพวกผ้พกพาพวกจตุปัจจัยเพราะเราทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลนีวัดของเราวัดของเราทําบุญคราวนี้อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกรคณคนของวัตดตั้งแต่นู่นตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดมาหลายๆลยคนอย่างโยมจูโยมจินดาโยมเบี่ยงโยม คิมมีมากมายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมการสร้างวัดถ้านับนับรู้เรไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่แหละล้วนแล้วจะเป็นผู้มีอุปกระคุณทั้งหมดที่พวกเราจะต้องทำบุญกุทศ ส, ส่วนกุศลให้ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่เราทำบุญ จึงได้มนุนครูบาอาจารย์มาพระสงฆ์มาแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์พงศในเช้ากอถวายพระทหารพระสงฆ์ตัอกอุทิศสวนกุศลดูดูเลยนะแห่คำกล่าวทําถวายทานวันพงศนี้ก็ให้ช่วยๆกันดูคิดๆโยมฉลาดนั่นะเป็นผู้นำผู้หมวดผู้หมวดติดบวชแต่เด็บวช <c oughs> เป็นหลวงตาละเกล่าวไม่ได้อีกละ นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเก็บเล็กผสมน้อยการทำบุญเหล่านี้นะ่ะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเป็นปัจจัยที่จะนำพวกเราไปสู่ในภพภูมิถ้าเรายัางไม่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเราต้องเก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้แหละเก็บบุญเก็บกุศลทำบุญทำทานไปเรื่อย บางครั้งก็เออเอ า, เอาภาวนาด้วยรักษาศีลด้วยให้ทานไปด้วยนี่ะเมื่อเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะชีวิตมันมีจุดจบ มันมีจุดจบแต่หลวงพ่อย้ำแล้วพูดอีกว่าจบแล้วมันไม่ใช่จบแต่ชีวิตวิญญาณมันออกจากร่างไปนะั่นตัวนั้นะจะต้องได้รับบุญกุศลรับบาปอากุศลมันจะต้องสืบเนื่องไปอกีกต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นพวกเราต้องคิดถึงจุดนั้นที่ดวงวิญญาณที่จะออกจากร่าง อันนี้คือถ้าเรายอมรับนับถือพระพุทธศาสนายอมรับนับถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับจุดนั้นเพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดไปจุดอื่นท่านพูดไปจุดนั้ น, นจุดที่ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอกีกวิญญาณตัวนามธรร ม, มตัวรูปธรรมตัวนามธรรม ตัวนั้นจะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดในพบภูมิต่างๆมีมากมายในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราถ้าเราศึกษาแล้วเราศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะในพระไตรปิฎกแล้วนะไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพวกเราคณะสัทายาญาณโยมทุกคนนะเก็บหอมรอมริบเก็บบุญกุศลไปเรื่อยๆ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่พวกเราทำไปนี่แหละช่วงไหนที่ขี้เกียจภาวนาก็ให้มีทานให้มีศีลถ้าช่วงไหนที่ภาวนาก็ให้ภาวนาให้เล่นภาวนาแต่ตามไม่จริงวันเดือนสามเพจนี่หลวงพ่อเองคณะสัทธาติรมควรจะมีศีลนั่นะ อย่างน้อยก็มีศีลห้าทามากก่อนนั้นกิดศีอุโบสถและทางฝ่ายพระเนี่ยก็ให้เร่งภาวนาในวันสิบวันเดือนสามเพน็นเอาถ้าข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาทั้งคืนอริยบท 2, ุทสองยืนนั่งนั่งกับเดินเอาดูสิเราไม่นอนเลย ทดลองดนยสินี่แหละจักกุบานในค้างรพระพุทธเจ้าพระจักกุบานไม่ทันอธิษฐานไม่นอนตรอดไรมาสามเดือนจังอธิษฐานมาแล้วเราไม่นอนเพียงคืนเดียวอะไรจะเกิดให้มันเกิดให้ดูสิให้เห็นสิให้จริงจังบ้างนี่แหละถ้าว่าพวกเราภาวนาเอาจริงจังเป็นบางครั้งข่าวสู้เป็นบางครั้งถอยเป็นบางครั้ง อันนั้นก็จะเห็นผลนะแต่มีแต่ถอยลูกเดียวอยู่เป็นลูกเดียวไม่ได้นะเราต้องเร่งภาวนาการเล่นภาวนาก็คืออะไรคือไม่ให้สติขาดใ ห, ให้มีสติสัมปชัญญะกําหนดลมหายใจเข้าออกให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นแหละคําว่าขาดคือไม่ให้มันหลุดไปให้มันมีสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่อง สัมปชัชญะเนี่ยคือต่อเนื่องสติคือรละลึกได้สัมปชัชญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดนี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในการมาศึกษาธรรมะอยู่ในป่าดงพงไพยอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระลูกพระหลานทั้งหลายต่อไปพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าต้องประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจและก็วันพงเนี่แหละเป็นงาน ในวัดของเราเป็นงานใหญ่ละปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกระโนของวัดหลวงพ่อบอกบอกแล้วประกาศอีกแต่จะมีคนมามากมายมากไปไมากไปเป็นไรพวกเราทําบุญกูบาจา์พระสงฆ์ที่เป็นวัดลูกน้องสาขาของพวกเราคงจะเข้ามาองไหนติดธุระก็ไม่ต้องเข้ามาก็ได้ องไหนาพอมาได้ก็เออมาเป็นการทำบุญแล้วก็ต่วายจะตกประใจตามที่มันเกิดมันมีเิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราคิดได้คิดทำองหลวงตาเคยทำไหมทำท่านก็เคยทำอุธิจวนกุธิโย ม, มันรดาของท่านท่านก็ทำบุญอยู่ตลอดมาแล้วจากนั้นหลวงตาก็ เปิดประเด็นเปิดโลกธาตุทำบุญเปิดโลกธาตุพวกเราคงได้ยินคือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกรณ์คนหรือทั่วไปดวงวิญญาณใดที่จะมีส่วนมาร่วมส่วนบุญส่วนกุศลมาส่วนแบ่งบุญกุศลพวกเรายินดีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ น, นั้นแต่เรา ไม่กล้าที่จะพูดเหมือนองค์หลวงตานะเราไม่พูดเหมือนหลวงตาเราพูดแต่ว่าเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้พูผู้ที่มีอุปกระคุณผู้มีอุปกระคุณของวัดนะ mm hmm. หรือผู้ที่มีส่วนที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ก็พวกเราก็ยินดี อุทิศให้ทั้งหมด ท, ทุกดวงวิญญาณท่านดวงวิญญาณใดตกทุกข์ใดายากเราก็พร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลให้พร้อมที่จะเอาสตางค์ยัดเจียดให้ใส่กระเป๋าให้ให้มีความสุขให้มีอยู่มีอยู่มีกินให้มีให้มีการมีเงินในกระเป๋าซื้ออยู่ซื้อกินได้ลักษณะอย่างนั้นแหละนะท่านดวงวิญ ญ, ญาณใดก็ตามพบมาผ่าน ผ่านพบมาก็เออพวกเรายินดีอุทิศส่วนกุศลให้เหมือนกับคนเดินทางเดินทางมาพบ ก, กับเรามีความทุกข์ยากไม่มีเงินเราก็เห็นแล้วก็เออน่าจะแบ่งเงินให้เขาอย่างน้อยก็ให้ประทังการเป็นอยู่ของเขาไปนี่ก็เหมือนกันนั่นถ้าว่าดวงวิญญาณได้ตกทุกข์ได้ยากพวกเราก็ยินดีอุทิศส่วนกุศลให้ พมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณ น, นั้ น, น, นเราไม่ได้จํากัดไม่ใช่ว่าเราจะให้แต่ผู้มีอุปกรณคุณอย่างเดียวไมาใช่นะเราก็กว้างขวางเหมือนกันนั่นแหละดวงวิญญาณที่จะมารับที่มาพบ อ, อมาพบ อ, อมาพบมาเห็นในการทําบุญของเราเราก็พร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ทุกดวงวิญญาณนะ เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์ก็หมตนนาให้พรแล้วพรในที่นี้นะ